ผมก็เลยไปเกิดพอใจผมรู้อัเมื่อผมพอใจในผมรู้อันนั้นมันก็จะพาผมรู้คิดไปน้อยอันพันอย่างน้อยแปดพันประการมันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างครับผมก็เลยภูมิใจดีใจกับว่าได้ภูมิใจกับว่าได้เลืองปีติกับว่าได้ครับมันรู้อย่างนั้นหรอครับอันนี้เนี่ยผมรู้รู้ก็เลยติดอยู่ผมรู้อันนั้นเหมือน ก, นกันกับที่ว่ามีสิ่งที่สกปรก มันติดเนื้อติดตัวเราเราเลยไม่รู้เราเลยไม่เห็นสิ่งที่สุขปกเหล่านั้นครับเราก็เลยล่างไม่เปลีนครับคําว่าล่างไม่เปลี่ยนนี่คือบุเห็นข่มคิดครับมันรู้มันบุเห็นก่มคิดมันเข้าไปในก่มคิดอันก่มคิดเหล่านี้ครับมันคิดเข้ามาแล้วห่อเข้าไปในก่มคิดมันก็เลยออกจากข่มคิดบุได้เมื่อออกจากก่มคิดบุได้มันก็เลยพาเราลูบไปครับอันนี้เป็นวิปัสสนุครับอันนี้วิปัสสนุวิธีที่แก้นั้นผม เราไม่เห็นผมคิดเมื่อมันคิดปุ๊บผมเห็นปับ๊บมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บอย่างนี้ก็อันนี้ปจัจจานุก็ค่อยลดไปลดไปผวามรู้นะันก็เลยค่อยหมดไปหมดไปอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติยังไงนะครับขอเตือนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังอีกคือตือนึงครับคือวิธีเป็นนิพจน์นะครับแต่ห้ามบ่ได้ หรือบางคนอาจจะห้ามได้ก็ได้แต่ทุกคนต้องเป็นผมเข้าใจนะและผมเคยสอนกันมาหลายคนครับทุกคนต้องเป็นครับเปมากกับน้อยครับแล้วแต่บุคคลที่จะเป็นน้อยเป็นมากครับเป็นน้อยเป็นหลายพอดีมันเป็นวิปัสสนูนี่ครับอย่าไปห้ามมเลยผมคิดนะถ้าไปห้ามแล้วมันจะเกิดอึดอัดจิตใจครับมันจะอยากหนีทันทีให้มันเป็นโยคก็ทําสร้างนั้นครับแต่เอาผู้ที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้ที่สอนเขาเจ้านี่ปล่อยให้มันเป็น แต่เราต้องไปรักษาบนนี้เป็นรักษาไปอุม้มไปจับอยู่ในบนนี้คือไปรักษาคือย้ายมันคิดออกไปนอกแนวที่ก็สร้างนั้นต้องบอ ก, อ ค, บอกคุณเตว่าคิดแล้วก็แล้วไปอย่าไปสนใจกับผมคิดคมคิดนั้นอย่างมากบวกเกินห้ามือครับผมเคยสอนมาแล้วคมคิดนั้นจะลดลงลดลงลดลงมันก็เลยเป็นปกติครับเมื่อไม่เป็นปกติแล้วเอามาแนะนั้นกับเจ้าเบื้องผมคิดดีครับ ให้เข้าใจว่าวิปัสสนูมันลดน้อยลงไปแล้วมันก็่มีทิฏฐิข่าวกําลังมันเป็นวิปัสสนูอยู่ฮันหอจิเ้าให้มันฟังมันโบกฟังนะครับมันจี้เอาแต่อานาจของมันเพราะว่าทิฏฐิอันนี้มันมีมานณะวิปัสสนูที่มีมานะมีทิฏฐิกล้าแข็งจิตใจมันโบอ้อนโยนจิตใจมันกล้าแข็งมันสามารถถกเถียงได้หมดมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นผมเป็นมาแล้วครับในคนเป็นวิปัสสนูจึงบูมู้จักวิปัสสนูครับ ผมในขณะผมเป็นผมบู๊ข้จักรแท้ผมอุปมาให้สั่งมือกับคนกินเล้าเนี่กินเล้าเนี่มันเมแ า, า, ากกเเม แ, ลแล้วเขาไปว่าว่นี่ยอทุกินเทอาเมาแล้วเล้าเนียวเลยคนที่เมาเล้าเนีเ่ยบ่เมาบ่เมากูบ่เมาหรือใครบ่เมาหรือผมบ่เมาเอาหให้กินยิ่งกินก็ยิ่งเมาครับมันเป็นอาการครับด้วยปิศสนีแล้วก็เลยบ่ต้องห้ามมันให้มันเป็นเป็นอาการแล้วเขาพยายามบอก ให้มันเ็ตจังหวะเข้าเดินจังหวะเข้าไปหรือมันโบเหตจังหวะ ก, ก็ได้โบเดินจมคองก็ได้แต่เขาอยๆมันพูดมันคุยไปแต่มันเตรียมเอาความรู้นํามาอ้าวนของตวกระร้างมันเขาจะไปถือฟ้าเพราะเขาหูแล้วเนี่ยครับยังไปสอนเขาขเขาบหูจะไปสอนเขาเจ้าได้บอกครับมันต้องหูแท้ๆได้ครับเรื่องนี้ครับผมจึงสามารถแก้วิปัตินูได้ผมมางหูจากผมคิดผมก็เลยแก้ได้อันนี้เรื่องวิปัสินูครับให้เขาพูดจาก คนเป็นวิปัสสนานั้นถ้าหากว่าเอาที่บอย่ายให้เขาเป็นหึงนะพอดีมันรู้รูปน้ำเนาะก็เลยให้มันไปให้การให้งานอคลื่นๆพุ่นถามมันถามแต่เรื่องรูปน้ำเท่านั้นเดี๋ยครับอย่าไปนสนใจเรื่องผมรู้พยายามถามมันลมเราถามมันอยู่เรื่อยๆไปมันก็เลยค่อยลดลงไวๆกับอันนี้ครับต่อจากนั้นไปตอนรู้อันนี้เดิกครับอันนี้ตอนรู้ที่ผมคิดแล้วนี่นะเอารู้ผมคิดเอาจริงผมคิดเขาจริแล้วอันนี้ รู้มันคิดขึ้นมา เ, าเห็นเหารู้เหาเข้าใจมันคิดปุ๊บเห็นทับไปได้ไปทีแรกมันจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ผมเองอันนี้ครับผมเดินจมก้มผมย่างว่าเส้นก็นได้ครับย่างไปคร้าๆคือมีคนมาสุกผมเนี่ครับมีคนมาผักดน่นผมวูบหนึ่งผมบ่เห็นครับบ่เห็นผมคิดผมบ่เคยเบื่อควมคิดผมจับเทือครับเมื่อผมรู้อยู่ครับเทือกทำอีกเรื่ผมบอกอู่เทือที่สองเนี่เอ๊ะ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 จัดอย่างแรงครับนูมันก็เลยไปโบได้ครับอันนี้ก็เขามาเบิ่งขุนก็คือกันพอดีมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บผมคิดมันหยุดเลยครับเมื่อมันรู้จักอันนี้มันเลยรู้จักสมุทฐานต้นเหตุกําเนิดที่เกิดของทุกครับทุกนี่มันเกิดเพราะผมคิดตัวนี้พี่ได้ครับตัวคิดนี่เป็นตัวทุกตัวทุกขงังตัวอันนี้จังตัวอนัตนาตาอันนี้พี่ครับอันทุกขงังอันนี้จังอนัตตานั้นมันจึงมีหลายั้นหลายลึกครับ แล้วว่าอนัตตานะครับเพนว่าทุกขังอนิจจ์อนัตตานะั้นผลมามันบังคับบอดาพ่อแม่ผรูบาอาจารย์สอนผมอันนี้ผมว่าทุกขังผมงอกฟันหักนั่งกับแมนอยู่ครับแต่มันโบแมนครับอนนผมเลยว่ามันโบแม่แล้วพูกอื่นว่าแม่งกับตามซ้างผมผม ว, า, ผมวาสซื้อเนี่ยผมว่าตามใจผมอันนี้ครับโตทุกขงังโตอนิจจงโตอนัตตานะโตอิริยบทนั่นเนี่ยครับโตเคลื่อนโตไหวโตวหน่งโตติต้ง ตัวพับตาตัวหาใจตัวอ้าปากตัวนึกตัวคิดนี่แหละครับเป็นตัวทุกขังเป็นตัวอนิจจังเป็นตัวอนัตตาเป็นอันเดียวกันมดครับขันลู่อันนึงแกระลุมดครับผมรู้จังสันครับบัดนี้ผมมาเห็นผมคิดตัวคุมคิดนี่นะมันเป็นตัวอริยสัจแต่ผมเข้าใจอย่างนสครับแล้วผมมาดูผมมคิดมันคิดพุ๊บเห็นปั๊บมันคิดพุ๊บเห็นปั๊บอยู่โบนนานครับอันนี้โบทันนาน คล้ายๆคือผมอยู่ห้องมืดครับแับ น, นี้ผม้ึกพ่หน้าออกไปจากที่มันแจ้งครับมันเลยเห็นไป่มด่อแบบนีน้หรืออีกในนึงคล้ายๆคือน้ำหนักของตัวผมนี่มีอยู่ร้อยกิโลครับมันพ่วงอยู่ในคอรหรือในหัวใจหรือที่ไหก็ตามสร้างแหะครับมันหนักอยู่เลยร้อยกิโลพอดีผมเบื่งควมคิดในคิดปุ๊บเห็นปับ๊บคิดปุ๊บเห็นปั๊บเนี่ยคล้ายๆคือกลมหนักนะมันว่าแต่ลดอย่างน้อยนี่ครับหกสิบกิโลลดไปดมเบาออกไป เบ้าออกไปอย่างกินเหลืออยู่ภายในอย่างยี่สิบกิโลนี่นะครับผมเขาแกนะ่เลหรือหากว่าตามใจผมจริงๆแล้วผมว่าผมเอาออกโหลดหรือมันหลุดไปโหลดครับแปดสิบกิโลสัตว์ผมบอมึงบ้านเมียวะท่านไปแล้วอัะหนักๆนั้นนะ่ะแปดสิบกิโลแล้วยังเหลืออยู่ยี่สิบกิโลสับัณิผมก็เลยรู้จักพรมเป็นพระญาบุคคลขึ้นมาโหลดครับโอ้พระอญาบุคคลนี่มาอยู่นี่เดี บอกว่าผ้านี่มันเป็ น, นังซีสมันโบได้หมายถึงผ้าถึงเสื้อโบได้หมายถึงอันนั้นเพราะมีเครื่องหมายเนีผมเข้าใจอย่างต่างคือว่าผมรู้จักต้นเหตุสมุทฐานที่เกิดของโทสะโมหะโลภะผมรู้จักอันนี้จริงๆครับเนี่ยโทสะโมหะโลภะเนี่ก็ทูกลดน้อยไปละเบาบางลงไปเป็นอย่างต่างคือเมื่อไปเห็นสัตนแล้วกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่เป็นอนรูปสีผมก็เข้าใจอย่างตัาง โอู้ปซีที่มันเวทนาเป็นลูปสัญญาเป็นรูปสังขารเป็นรูปวิญญาณเป็นรูปอันนี้เด้ออันรูปซีบบบบบบบบเบบบบรบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบนบบบบบบบบบบบนบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบซบ่อบบบบบบ้บบบบบบบบบบหบบบบ้าบบาบบบบบบีบิตบบบบบบบบบบบบบบรบบบบบบบเบบนบบบครับเมื่อผมเห็นอันนี้แล้ว เวทนาบ่ามีทุกสัญญาบ่ามีทุกสังขารบ่มีทุกปีญญาบ่ามีทุกเพราะว่าบ่มีโทสะบ่มีโมหะบ่มีโลภะหนักแล้วบัดเนี้วอนี่เทวดาพวกเขาอย่างยังแบบโอ้มันมันผิกกันพอดีเปนะ็นอะไรทำไมเกิดตีตีขึ้นมาอีกตุมแล้วครับนี้เกิดภูมิใจบัดเนี้ภูมิใจว่าตัวเองรู้อันนี้เห็นอันนี้ว่าตัวเองเป็นพระได้แล้วบัดนี้อนี่ควมเป็นพระอันนี้บุคคลมาอยู่นี่เด้ ขวมเป็นพระนี่มันไม่ได้มีเครื่องหมายขีดขั้นคือผู้ใหญ่บ้านกำนันคือครูคือตำรวจทหารมันว่าเป็นอย่งนั้นด้หมายถึงจิตใจพี่เด้ผมเข้าใจอย่างนันครับหมายถึงจิตใจบนบนหนักบทุกนี่นะครับขวมเป็นพระนี่นะบัดนี้มันเกิดปีตีเข้ามาครับอันปีตีนี่แหละครับมันทําให้เราหลงครับมันก็เลยลงมาเบิ้งความคิดอันนี้อีกึดมแล้วครับมันก็เลยไปเพลินไปสบายไปมีความสุขเบาเนื้อเบา นัง่งเบาแข้งเบาขาเบาจิตเบาใจมันเบาอยู่เนี่ยมันเลยมาพอใจกับอันนี้ถึงแล้วครับอันนี้แหล่เพิ่งว่าญาติสามีปีติวัตรเพิ่งสอนญาติสามีอุปทานวัตนญาติาสามีอย่างทางหมดนี่นะครับเห็นแล้วมันแล้วไปซื้อๆเนี่ยมาอยู่ซื้อ ๆ, ๆนี่นะครับอันนี้ขันเหตุแล้วมันเพิ่นห้ามบอดได้เลยครับมันมันเพิ่งอยากสบายอยากสุขนี่นะครับเนี่ยผมจึงว่าปีตินี่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมะ ให้เฮารููธรรมะเบื้องสูงไปครับมันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นตรีตรีในพระเอื้อจินตายานจินตายานนี่ผ ม, ผมรู้จักแต่ก่อนเมื่อผมมารู้จักองค์ซีผมรู้จักจินตายานครับอันนจินตายานนี่ก็คือการครับปฏิบัติธรรมแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เห็นปะแล้วก็เลยลืมมาเบื้องอันควมว่มีทุกนี่นะครับมันก็เลยที่เป็นบ้าไปก็ได้ได้ขับอั น, นเรื่องมูลนครับมันเป็นอยางนั้นนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆครับไป บัด น, นี้ผมมาปฏิบัติไปพอดีตอนเศ้าพี่นะครับบัด น, นี้ผมมาเดินจมคมๆย่างไปย่างมามันก็เลยผมคิดเดียวกันเบาไปเบาไปความสุขอันความพอใจความก็เบาไปเบาไ ป, าบบาไปลดน้อยไปมันมาเบิ่องคมคิดพี่อีกึดมหรอครับบัด น, นี้มาเบิ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบืงองยุคที่ละกิเลสตัณหาอุปาทานกรับมันเบืงอยู่ที่ครับเบิ้งกิ่นเบิ้งองหยั่งยู่ที่นะั้มันปกติมันเบืงอยู่ยี่ มันก็เลยมาเหตผมคิดอีกตืมครับมันเป็นอารมณ์ได้ครับเรื่องวิปัสสนานะวิปัสสนาที่ว่ารู้แจ้งรู้จริงอะไรนะครับมันบเม็นรู้จำมาจากตำลับตำลาและบเม็นรู้จำมาจากภูบาจานันทร์บ้แม่นแท้ๆครับเรื่องนี้ผู้ใดสิว่าแม่กระทำสร้างผ ม, มผมโมเสือครับผมเสือว่าผมเป็นอะไรต่างผมสิว่าตามผมจริงผมเนี่ยครับบาตนี้อันนี้กินตาหยาครับตอนเป็นนิพพานลาดครับต้องเข้าใจคนระับผมมา เดินจมกลมตอนเต้าครับมันเบาเมดครับตัวโตผมนี่ครับเบาคล้ายๆคือหอ่อคือลอยไปนี่แหละครับเบาเมดมันขาดไปเมด่อส์มันคลายคลายคล า, า, า, าคือว่ามันไม่มีอย่างทั้งเมดมันเห็นชีวิตเห็นจิตเห็นใจเห็นทุกสิ่งทุกอย่างครับอันเนี้ยนี่ผมมาเป็นอาชีพอ่นว่าไปตามภาษาตัวหนังสือในปะนเอื้อนอากาศเกิดดับ ผมเห็นอันนี้อาการเกิดดับททีแรกมันผมปฏิบัติทำอีกนั้นผมพลิกมือขึ้นมันเกิดคว่ำบนลงมันดับผมเข้าใจอย่างตัดินใจครับแล้วกับความคิดมันคิดขึ้นมานนั่นมันเกิดมันหยุดคิดมันดับมันพลิกตาอยู่นี่มันเกิดมันพับตาลงมันดับอันลมหายใจคือกันมันเป็นเกิดเป็นดับหมือนอันนี้โบเมนครับมันแมนแต่ผมเอาเข่ามันหูจักน้อยครับตอนผมมาหูจักขาดเกิดดับนี่ครับตอนเตาครับ ผมเดินไปเดิมันหลุดออกไปมัดขัดนี่ผมมาหู้จักพระบริเจ้าตัดผมเื่อเดียวนี่ครับพระบริเจ้าตัดผมคือเดียวว่ะแต่ผมหู้จักอันนี้แท้ๆรับรองร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยครับอันนี้ครับโอ้ธรรมชาติกฎเกณฑ์ของมันมันเป็นยังสีมันไม่ได้มีเจ้าของไปเหตุถ้ามันมีขึ้นมาเนี่ยพระนัวเอิญตัณหาคือขมอยากครับกิเลสตัณหาเนี่ยมันเป็นยังสีครับอย่างผมยังรู้จักคักแท้ๆได้ครับอันนี้ รู้จักจนโนโโบส่งใส่ผู้นครับอันมันเหมิดครับมันเป็นปกติคือธรรมชาติมันเป็นอยู่ยังสั้นครับมันกระ่บยาวแล้วมันเป็นธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาติมันเป็นตามกฎเกณฑ์ของมันแท้เด็ดเด้่ยวครับอันอันพระพุทธเจ้าตัดเอ่ออันพระพุทธเจ้ตัดผมเอาอาดาบตัดนั่นมันยาวออกไปบมดเปลี่ยนนั่นมันฆ่าสองข้อมืออยู่ตามเดิมนั้นโอ้ยอันนั้นมันขเว้าคนเรียนมาเว้าดอกครับอันนั้นนะอันนี้โบแมนอย่างสั้นรับรอง อันนี้อ่ะมันปากบอกออกกับกันว่าขันหูแล้วให้ปิดปากเราสิมันบแมแนปิดปากเว้าครับมันเมาให้คนฟังคนมีปัญญามันรู้คนบ่มีปัญญามันบวรู้ครับอันนี้ผมก็เลยหู้จักอันนี้มันมีหยาดขึ้นขึ้นว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วมันมีหยาดเกิดขึ้นหยาบบอกยอมมีขึ้นว่าตามสือบอกคูบ่าจังกระบอกมันเป็นแท้ๆครับที่มันเป็นแล้วยังหูจักได้หยาดนะครับมันเป็นสะกอนมันหลุดมัดตะกอนครับแล้วก็มันก็รู้จักว่า ว่าแท้ๆนะครับมันเกิดขุมรู้ขึ้นมาจาักภายในจิตใจจิตสํานึกจริงๆครับอันนี้เรียกว่ายานปัญญาก็ได้หรือว่าวิปัสนาญาณก็ได้หรือว่าที่ว่ายานยังไงก็ได้รัมันเลยรู้จักขึ้นมาว่าสาตว์สิ้นแล้วภบสิ้นแล้วขุมาจัญญยุตจบแล้วกิจอื่นไม่มีแล้วหมืดโทนี้แล้วกิจในพุทธาศาสนาว่าแต่มันรู้จักจริงๆครับเรื่องนี้รับรองร้อยเปอร์เซ็นครับคันถ้าพูดอย่างซีจีหาว่าพูดอวดอุตรีมนุษย์ศา ร, ร์ทนี่ว่ากระทำสร้างแล้วครับ ผมว่าผมจริงผมเป็นอังซี้ครับนี่ครับมันเป็นอังซี้แต่มันเกิดความสุขนั้นว่ามีในโลกเลยมีเงินร้อยล้านพันล้านไปซื้อกับพระ้นมันเกิดความสุขอันนี้เพราะภูมิใจมันเลยลืมมาเบื้องบนว่ามันมันแห้งมันหมึดนี่ครับอันนี้มันเป็นวิปลาสผมก็ไปเป็นอางนั้นนี่ประมาณจักสามสี่ห้านาทีคุณไหวโบเมนแล้วอันนี้ครับผมนั่กลับมาเบื้องอันที่มันแห้งมันจืดนี่ครับผมนํามาเห็นโอ้อันนั้นมันเป็นวิปลาสเด้ว่าัน ผมเลยหู้จักวิปลาสครับด so er, ังนั้นผมจึงสามานแก้วิปลาสแก้วิปัสนูแก้จินตญาณไหนเพรผมหู้จักเนี่ยครับมันบุหู้จักมันจะแก้เป็นเนี่ยครับมันต้องหู้จักสะก้อนอย่างว่ามันต้องหู้จักสะก้อนตอนเป็นวิปัสนูนี่ให้มันเป็นครับเอาไปส่วนมันว่ามันคุยให้มันลดน้อยแล้วก็บรรจุปฏิบัติก็ได้มาคอยดผู้เดียวครับตอนแก้วิปัสนูแล้วหลังมันหู้จักตัวโตมันหันมันหน่งมันตีงมันเคลื่อนมันไหวให้มันมาเบิ้ง รูป ก, กายได้ยันให้เบิงใจครับใหนเบิงใจโบไดวิปัสสนูเนี่ยครับให้นั้นเบิงการเคลื่อนไหวที่มองเห็นจับผู้ด้วยมือนี้ครับอันนี้เป็นปัญญาแก้วิปัสสนูครับอันนี้ตอนแก้จินตญาณเนี่ยให้มันมาจับตัวเฮานี้ให้หัวหัเมือ่อดล้วให้มันบิความคิดฮั้นอย่าไปเบิกความสุขอันนั้นอย่าไปเบิกความคิดอันนั้นอันตอนเป็นมูนีมันต้องหูวจกักคือบัดนี้คนมาเพ่งความคิดได้บัดนี้ครับตอนปฏิบัติตอนที่เป็นจิตาานตญาณตอนที่มันมูปรำมัดเนี่ย เพ่งเข้าไปมันมืดมันโมเหตุเนี่ยครับมันมืดตึ๊บอยู่ในใจผมครับมันบุกเ้จากทางไปไว้ทางซากก็ได้ครับบัดนี้มันหัวนี่มันมึนขึ้นมามันหนาหน้านาตาแน่นหน้าอกครับบัดนี้พวกนี้มันเพ่งครับแต่คนผู้ปฏิบัติน่านขาเจ้าบุกเ้าจักว่าเขาเจ้าเพ่งเลยครับผมก็เป็นมันจึงู้จักและบัดนี้เอาเบื้องไกลครับเบื้องไกลแต่มันคิดให้หัวมือแต่เอาจับตัวเอาไปให้หัวมือ แต่มันคิดในหัวมันเบื้องไกลไกลคุณครับเบื้องแสงตาเบื้องไกลไกลเบื้องไกลไกลมันออกจากบนมันมึนมันมีมันมึนมันแน่นหน้าอกมันายกไปเบื้องมันบื้องันฮะเขาแสงตาเขาเบื้องไกลไกลคุณมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บหรือว่เห็นการตั้งสร้างหัวมันครับแล้วก็ออกกำมือเหยียดมือเดินจมกลมนั่งให้จังหวะอันตรายตามหล่ะให้มันรู้แล้วก็เบรงไกใหมันเห็นมันคิดการมันเห็นครับมันก็ค่อยลดไปลดไปลดไปอันให้ทั้งสี่ครับ ตอนแก้ที่มันหนักอกหนักใจตอนแก้จินตญาณต้องแก้รูปนี้ครับแต่อย่าให้มันลืมควมคิดครับอันนี้ครับตอนแก้จินตญาณมั่ย่าครับแต่มันกับว้าวลายเดียขาอันว่าให้ฟังซื่อนี่มันมันกระจาได้ครับแต่ว่าตอนไปแก้มันมาแก้มันมีความว่าวครับเมื่อไปสัมผัสเริ่มงของผู้จักเองครับพรเขาฟูเนี่ยเขาเป็นเนี่ยครับเขาก็ู้จักเลยโอ้ผู้นี้เป็นอย่างที่แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องแก้ตามรูปของผู้เป็นครับ แต่นจริงว่าเขามความสามารถแก้ข้อจ้อยถูกได้เขาจะไปสอนผู้อื่นเนีต้องรับรองได้จริงๆเลยครับผมรับรองได้แต่แท้ได้ผมนะครับผมไม่จีบว่าคุยได้เนี่ยผมไม่คุณอวดดีได้อเ น, นี้ยครับคนมีดีเอามาเว้าได้เนี่ยคนคนมีเนีย่ยเามาว่าวสู้ฝั่งซื้อๆนี่ยครับผมไม่อวดดีได้อันคนอวดดีนั่นไปเวา้าวแวบๆอยู่ขนาดมันเป็น่ยนจ้อยวับผมเห็นครูบาอาจารย์แก้กันอยู่โอ้ยมันแก้ไป บ, า บ, า บ, า บ, าบา้าๆบ่ๆจะไหนผมก็ไปฟังแต่ผมหักบก่ โบได้รับกับพระเจ้าครับอันนั้นคนอวดดีครับบัานนี้คนอวดดีว้าซื้อๆอันนั้นแกโบเป็นเนี่ยนบเลยปล่อยเขาเป็นป้ายผมได้แก้หลายคนเนี่ยครับคนเป็นมาจะ่ทางอื่นผมได้ไปเว้าให้ฟังครับ <c oughs> นี่มันเป็นอะไรครับตอนเป็นวิปลาสครับบ้า น, นีน้มันอยากสติเสียได้ครับมันไปติดขบสุขมันไปติดขมว่ามีตัวว่มีมันว่ามีที่พึ่งครับผมก็เลยสมมุติให้มู่ฝังร้ายเสือเรื่องนี้คลายๆคือเขาข้ามของข้ามห้วยข้ามหองเนี่ครับ เขาเอาไม่ไปกายลําเดียบผมเคยข้ามน้ำมีครับผมคิดถึงนํามีมันผมไปปฏิบัติพนระเจ้าไม่ไพ่กายกายไปเลยเหตุฮาวบัด น, นี้น้ำมีเหมือนก้วงไม่ไัยพระเจ้าตัดมันแล้วเอาไปมัดจุกกันมันว่มีฮาวจับมันงวดมันกะตกลงนํามีปุ๊บหลุดผมเข้าใจาบัด น, นี้มันมีหฮาวจับยึดสองขามันงวดไปทางพุ่งก็มีฮาวงวดมาทางที่ก็มีฮาวเขาจับฮาวไปจงว่าอาใส่อารมณ์ขับตอนกรดิบแก้เประหลาด ให้ขาเจ้าหูจักรูปน้ำให้ขาเจ้าหูจักความคิดให้ให้ใหข้าเจ้าหูจักอารมณ์ปรมัดที่ธรรมอารมณ์เกิดกับใจขเจ้านั้นให้ข้าเจ้าให้มาเบิกอารมณ์ข้าเจ้านี้อันนี้ครับทคำข้าเจ้าว า, รรวางอารมณ์รูปน้ำวางอารมณ์ปรามัดวางอารมณ์ธรรมอารมณ์เกิดกับใจนั้นน่ะเขาเจ้าไปติดคมจุกนั้นมันเป็นนิพลานกับมันเป็นคนลือ้อโตกับมันที่เป็นบ้าครับอันนี้เขาต้องเป็นอย่างตัางครับ <ós> แต่ทุกคนเนี่ยครับบ่เป็นน้อยกับเป็นมากแล้วครับผมก็เป็นแต่ผมหา่อมัน โชคดีสื้อผมผมมาโชคผมดีครับโชคดียังไสโย่พอดีมันเป็นแต่แล้วผมลืมผมไม่ด้มาเบื้องอารมณ์ทำอารมณ์เกิดกับใจผมไม่ได้มาเบื้องอันนี้พี่นะครับผมผมไม่ได้มาเบิ้งอันมันแห้งมันจืดมันหมิดเนี่ยอันมันเป็นปกติเนี่ยผมนึกว่าได้มาเบื้องอันนี้ผมน้กไปติดขมสุขคุณนะครับบ้านผมมาสํานึกตัวได้ผมกลับมาเบื้องอันนี้โอ้อันนั้นมันมาลอกแล้วก็แมน หรือเราเป็นปีติกับแมนเราไปติดอนันเด้นมันก็เลยแมนเป็นมดครับมันคนลืมโตไม่ครับอันนี้แหละเพื่นว่าคนลืมโตนั่คือคนตายแล้วเพื่นว่าตายแล้วจะไหนเจ้ามันบูมู้จักโตเองมันกัคนลืมโตเท่านันครับคนตายได้มันเน่ามันหมิดออกไปคิดไมด้อันคนตายบ่ทันหมดลมหายใจเนีครับคนเป็นบ้านี่นะครับมันพูดซัวมันทําซั่วมันคิดซัวมันบ่มีอายครับอันนี้เพื่นว่าเอินคนตายนะครับ จังะว่าเขาอยากช่วไปตายอย่างสั้นครับถ้าหากเขาได้ตายอย่างสั้นแล้วก็มันมิดแล้วครับมันเปียกแสดมันเน่าครับเราขอดูญาติเลยครับอันคนมรีนบุหุสหักนี่คล้ายๆคือตัวนอด น, นะครับมันอยู่กาะอุจจาะมันอยู่ที่เน่าที่มิดนะครับผมเคยเลี้ยงข่วยครับบ้านผมเลี้ยงข่วยค่วยเป็นบาดผมเอายาไปใส่คอผมบอกให้เอายาไปใส่เอาใบยาเนี่ยไปตโคเพ่อกับปูล แล้วเอายาเส้นเหลานี้กับปูนเนี่ยตํำเข้ากันแล้วเอาน้ําไปสูบไปญัดเสีบบาทรับตัวนอนมันไหลออกมาเองครับบางตัวบางตัวมันเขาเอาไม่ไปเขี่ยวออกแล้วมันโบยากออกมามันลุ้นเข้าไปในคุณครับตัวนอนมันดูน้ำครีมเน่าๆนั่นแหละครับเอายาไปยัดเสร็จมันตัวนอนมันไหลออกมาอันนี้ก็คือกานครับท่านเอาสอนดีๆได้มันโอยักเสือครับปูนเนี่ยเขาบอกให้มันปฏิบัติอย่งที่มันบโอยักเอาครับ มันสุกอันเพราะว่ามันสุกแบบนอนอยู่บนเนาเนาครับแบบนอนอยู่บนเนาเนาอันคนไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่นั่งกับคือกันครับผมเข้าใจอย่างสิครับตอนนั้นผมรู้จักอย่างสิคือผมเป็นนางครับนั่งคนสงบเนี่ยผมว่าผมถูกต้องจริงๆเลยครับใครสิว่าใส่กระโปเสื้อผมว่าผมอ้วสบายบาดไปสู้อารมณ์ข้างนอกมันจะสู้บไดาครับอันเมื่อนั่งอยู่ฮัสงบจริงๆครับ บ้านไปเพื่อนว่าให้อย่างตอนนี้มันเกิดโกดขึ้นเลยบุได้เบื้องความคิดนี่นะครับมันไปติดใจความสุขคุณนะครับอย่าไปเบิ้งมันความสุกไปเนี่ยมาเบิ้งความคิดที่ครับเนี่ยอันเรื่องความโกรธความโลบความหลงนั้นมันดับเบื้องีครับเขาลืมบ้นเบิ้งนิสิตซื่อเนี่ยะลืมเบื้องจิตเบื้องใจลืมเบิ่งชีวิตเทานี้ซื่อนี่นะครับเาไปติดความสงบคุณนะครับบ้านเหามาเบิ้งตัวมันนึกมันคิดในเจความสงบมีกระตำตามมันมีกระตมของมันแล้วครับ เพามันสงบอยู่ตรงนี้ครับมันเนี่ยมันสบายเนี่ยครับอันนี้แหละว่าคนเป็นบ้ามันบุ้งหัจากบ้าคนไปตีคมสงบเลยบุ้งหัจากคนสงบครับคือนอนนี่อย่างว่าครับนอนเนี่ยมันเสื่อว่าอันอาหารของมันอ่ะอันมันเน่าเน่าเหม็นเม็นั้นแล้วครับบัดนี้คนหู้จักอาหารเน่าเน่าเหม็ดเมันก็บอกินแล้วครับมันก็กินอาหารมันบ่นเน่าบ่เหม็นกินแล้วครับคนหู้จากคนสงบโยอที่เป็นนั่งให้นั่งครับนั่งก็ได้บนนั่งก็ได้ มันกระสงบอยู่พี่แล้วของว่ามันบ่มีเด้ครับมันไม่เห็นพี่ครับบบไม่ไปนั่งให้มันสงบจังสังครับอันไปนั่งสงบนั่งคดีอยู่กับโบได้ว่าว่าโบดีก็ได้ครับมันดีแบบนั้นดีแบบคนบูฮู้จักครับดีแบบบูฮู้จักแต่ว่าอันความสงบนี่มันจึงมีสองแบบครับสงบแบบนึงนั้นสงบแบบบูฮู้จักไม่ยังสงบแบบนึงนี่สงบแบบเห็นแจ้มแต่เอินมาส่งคือกันแล้วผมก็เลยว่า โบเมนสงบอันเนี่ยมันเห็นแจ้ง ม, มันรู้จริงมันเข้าใจจริงผมก็เลยว่ายัางสี่แล้วก็มันยังแม่งคมสงบอยู่คือเก้านั่นแหละครับนี่มันเป็นอะไรอันที่ว่าให้ฟังกานแก้เรื่องวิปัสนาวิปัสนานี่ให้เข้าใจจริงครับวิปัสนาน่นแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงวิปัสนานั่นจิตใจมันหูจักแต่เพียงว่าบบลงแต่มันก็ยังทําซั่วไ ด, ได้ได้ครับทําซั่วได้อยู่ผมเห็นอันน คนมาปฏิบัติธรรมะจากผมนี่แหละครับแต่กขาบอกว่าคู้นั้นผู้นี้อย่างนี้นครับผมเห็นผมเลิกได้จริงๆครับเรื่องครรมะเรื่องกอกยาเรื่องกินเหล้ากินยาให้ว่าอบายามุกนี่ผมเลิกละได้จริงๆครับคนมาปฏิบัติธรรมะบางค น, นมันรู้ครับรู้แล้วเวาได้แต่มันฝึกออกไปครับเป็นภาพเป็นนีเงาไปสุบยาคือเก่าไปกินเหล้าคือเก่าครับอันนี้แหละผมก็เลยว่านี่ นคนเฮ็ดซวนสังกับผมก็เลยิบหาหมู่หลายคนนะครับันไปกินของซัวๆได้นี่มีผู้ใดแด่แผมวา่าและบางคนก็จะขันหูจักผมเห็นเต่หมา น, นั่นแหละว่าผมวา่าหมานี่มันห้ากออกมาแล้วมันไปกินอีกตื้มแต่ค น, คนที่มันพวกินครับคนห้ากออกมาเอ า, าห้ากออกมาแล้วผู้ใดไปกินห้ากตัวเองในพวกมีครับผมว่เห็นครับเท่เาหมานี่มันห้ากออกมาแล้วบ้านผมอนมันกลับคืนไปกินห้ากมันอีกตื้มคนเนี่ยขันหูจักจริงๆแล้วมันพวกคืนไปเฮ็ดครับ ผมจึงว่าเลิกละได้เด็ดขาดผมว่าแท้ๆผมระท้อนใจสะดุดใจครับนี่ยังว่าคนเป็นวิปสัสสนุนิศสามารถกินเหล้าก็ได้สูบยาก็ได้เป็นอะไรคัมันถือวอ่า น, น่าเป็นความสุขอยู่เนี่ยครับมันเป็นสมัยท่มันงาเป็นจะมาทำชัวได้อันนี้แหละครับที่ผมนำมาเล่าให้ฟังนี่แล้วก็พยายามเอาไปนึกไปคิดไปที่จะเนาวเอนครับ